วันนี้เป็นวันพระเป็นวันสมาทานศีลของพวกเราตั้งแต่วันเข้าพรรษาแล้วก็พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าผู้ใดตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรไว้ในใจจะไหว้พระทุกวันจะรักษาศีลทุกวันพระจะงด สุร า, างดยาเสพติดทุกอย่างางดบุรีอันนี้เป็นต้นนะผู้ใดมีสัจจะอะไรไว้ในใจอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่าให้โกหกตนเองเอทำอะไรโกหกตนเองไม่ดีเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสมาทานศีลของพวกเราถึงอย่างไรในพรรษาในวัน8ดค่ำส15้าค่ำ มันก็ไม่มากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดสี่สามสิบสองเพียงสิบสองวันในสามเดือน90สิบวันเราทำตนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีศีลห้าอย่างน้อยประจำกายวาจาของเราถ้าว่าพวกเรายังสร้างคุณงามความดีเพียงสิบสองวันไม่ได้ภายในสามเดือนพวกเราก็รู้สึกว่า ด้อยในคุณภาพของมนุษย์พูดง่ายๆเพราะว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวไว้ว่ารับรองคนดีถ้าผู้ใดมีศีลห้าแปลว่ารับรองคนนั้นเป็นคนดีในระดับหนึ่งของชุมชนสังคมว่าเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับในการอยู่ด้วยกันของมนุษยชาต แต่ถ้าว่าพวกเราขาดศีลธรรมขาดศีลห้าไม่มีอะไรเลยเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจไปนสถานที่ใดเป็นไม่น่าไว้ใจไปคบค้าสมาคมกับใครก็ไม่น่าไว้ใจเพราะเหตุไรเพราะไม่มีศีลไม่รู้มาจะออกมาไม้ไหนเพราะเขาไม่มีสัจจะเขาไม่มีศีลธรรมใน จ, ใจิตใจพร้อมที่จะฆ่าพร้อมที่จะขโมยพร้อมที่จะประพฤติผิด ประเวณีพร้อมที่จะกล่าวมุสาโกหกตอแหลได้ทุกเวลาแล้วก็พร้อมกันพร้อมที่จะชักชวนในการดึงุราค้าค้าขายยาเสพติดได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลเพราะนั้นศีนลธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงศีลห้าเท่านั้นละ่ะก็จะทําให้พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข เพราะนั้นวันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาก็ควรจะมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้าผู้ที่รักษาอุโบสถศีลได้ก็ยิ่งเลิศประเสริฐเพราะเป็นเครื่องขัดเกลา่าความรู้สึกทางด้านจิตใจของพวกเราศีลอุโบสถแต่ศีลห้าเป็นการศีลคุ้มครองศีลคุ้มครองโลกหรือศีลคุ้มครองชุมชนศีลคุ้มครองการอยู่ด้วยกัน จะต้องทำมีศีลห้าแล้วร่มเย็นร่มเย็นเป็นถุกถ้าขาดศีลห้าแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนในสังคมในกลุ่มของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายยดึดศิลรัฐธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าทุกคนยดึดศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของศีลเชิดชูบูชาศีลธรรมแล้วกลุ่มของเราชุมชนของเราก็จะ สงบพรมเย็นเป็นทุกทวนหน้ากันต่อนนี้อไปอหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสี่เลนะนิพุติงยันติตัสมาสี่ลังวิโสทายอาตอนนี่อไปตั้งใจฟังนะทีนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีพูดอะไรให้ฟังประจําวันพระ ได้กล่าวสมโธธนิยกถาเพื่อปารบธรรมมะให้แกศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานแล้วก็ขอประกาศให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของวัดเราหรือว่าวัดป่าบ้านตาดเรารับถ่ายทอดจากวัดป่าบ้านตาดแต่เฉพาะวันวันเสาร์เนี่ยทั้งวัน ตลอดทั้งวันจะมีธรรมเทศนาของหลวงตาอบรมพระทั้งวันวันเสาร์แล้วก็สถานีไทยคมสถานีไทยคมก็ได้ขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อขอออกไปออกไทยคมออกตั้งแต่วันที่29มิถุนาเดี๋ยวนี้ก็ยังออกทุกวันอยู่แต่ไม่รู้จะออกนานเท่าไหร่เขาออกขา อ, ออกสามเดือน ขอออกทดลองสามเดือนแต่นี่ก็ในทั่วประเทศก็ว่าได้ที่สถานีวิทยุไทยคมขออนุญาตหลวงพ่อไทยคมเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟอเทศตลอดเอฟเอฟเอฟเอฟเอเอ ฟังฟังดูหน้าคณะสัตยาญาติโยมอันนี้ก็เฉพาะสถานีของเราก็ออกเป็นธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขอให้ฟังฟังฟังธรรมะทําคําสอนบ้างเราฟังแต่ร้องรำทําเพลงแต่ละวันก็ก็ฟังฟังอันนั้นก็ส่วนนึงแต่ฟังเสียงธรรมะเป็นเครื่องชี้นําทางด้านจิตใจควรจะรักษาศีลอย่างไร อย่างไรควรจะให้ทานอย่างไรควรจะเสียสละอย่างไรควรจะประพฤติตนอย่างไรในชุมชนสังคมของพวกเราอันนี้ก็ควรจะฟังเหมือนกันเพราะว่าพวกเร า, าไปฟังข้างใดข้างหนึ่งมันก็เอียงได้เหมือนกันถ้าเราฟังในหลายด้านก็นำมาวิเคราะห์นำมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วพวกเราจะมีปัญญามีหูกว้างมีตาสว่าง หูกว้างไ ก, กลได้ยินได้ฟังอะไรหลายอย่างแต่ถ้าอาว่าพวกเราไม่ฟังใครเลยไม่ฟังใครเลยฟังแต่มุมใดมุมหนึ่งหลวงพ่อว่าเหมือนม้าอินเดียม้าอินเดียหลวงพ่อไปเห็นเวลามันวิ่งในถนนเขาจะเอาอะไรป้องตามันไว้ไม่ให้มันเห็นถ้ามันเห็นแต่เฉพาะใกล้ใกลถ้าคงเขาคงจะเห็นถ้ามันเห็นไกลก็คงจะ มันจะกระโดดโลดเต้นกันมัง่งเขาเลยไม่ให้มันเห็นไกลเห็นใกล้ๆนี่คงเหมือนกันอ่ะพวกเราเป็นพุทธศาสนกชนพุทธบริษัทเป็นคนชาวไทยชาติไทยนะต้องฟังให้กว้างๆศึกษาให้ดีแล้วก็วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนี่แหละเรื่องพระพุทธศาสนาคงเหมือนกันให้พวกเราฟังเอาไว้เรื่องพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นศาสนา ประจําชาติไทยมั้งแต่ดึกดําบรรดังแต่พ่อขุนศีอินทราทิพ่อคุณรามคำแหงจากนั้นกับกุงศีอยุธยารัตนาโกศินลมาเป็นทอดๆก็ต้องมีของดีในพระพุทธศาสนาบรรพบุพรบุษของพวกเราจึงได้นับรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติมาตั้งแต่ดึกดําบรร จนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องให้ต้องวิเคราะห์ดุลศิลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายการอยู่เป็นอยู่ชุมชนและสังคมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการอยู่ของชุมชนและสังคมอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ประพฤติตนให้เป็นคนดีอบา ย, ยมุกทุกอย่างอย่านำเข้ามาสู่ชุมชนสังคมของพวกเรา พวกเราหนักไปในอบายามุขเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียดข้าศทําการงานอันนี้คือว่าอบายามุขพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เพียงแต่ว่าการพานันอย่างเดียวเท่านั้นแหละกระทาไปให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนในชุมชนของพวกเราและลุงพ่ออยากจะเน้นหนักจุดนี้เหมือนกัน ในพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอนายูงน้ำโสมสุวรรณคูหาเดี๋ยวนี้กำลังแห่ท่าจะไหว้ไปแล้วก็กำลังลืมตาอ้าปากได้แต่พวกเราท่านว่าพวกเราหลงละเลงลืมตัวนะกระทำให้พวกเรากลับไปหาที่เก่าได้ง่า ย, ายเหมือนกันเพราะเหตุใดจึงวกลับไปหาที่เก่าเพราะว่าพวกเราลืมตัวพอมีสวนยางขึ้นมาแล้วก็ ได้เงินกรีดยางขึ้นมาแล้วก็ลืมตัวมีเงินติดกระป๋ติดกระเป๋าติดบ้านติดบัญชงบัญชีจากนั้นก็ใช้อรุยชุยแชกกินเหล้ากินยากินเที่ยวสุรานาลีไม่รู้จักสรุปแล้วก็คือการอบายยมุกนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าห้ามเนะที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติข้านทําการงานอบายยมกุกถ้าพวกเราหนักในอบายยมุกแล้ว พวกเราจะถอยหลังเข้าคลองผลที่สุดก็ไปไม่รอดขายสนยงสนยางให้แก่นในทุนอีกอย่างเก่าเราก็เป็นลูกน้องกรีดยางเขาอีกสิ่งเหล่านี้ให้พวกขา้าราาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่านะอย่าว่าหลวงพ่อประนามหรืออย่าหาว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดประมาทนะให้คิดเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้ว นั่นแหละเราเดินด้วยความระมัดระวังชีวิตครอบครัวของเราตัวของเราในกลุ่มของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะร่มเย็นเป็นจุกทวนหน้ากันแต่ถ้าว่าพวกเราหนักไปในอบายยมุกอยากจะรวยทางลัดอย่างนี้จิบหายได้ไง่ายๆเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งะหลวงพ่ออยากจะเตือนผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองก็คืออันดับแรกก็คือนั่นแหละในชุมชนของพวกเรา ก็มีอบอตอผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใหญ่บ้านกำนันถ้าว่ามีอบายมุกเข้ามาอยู่ชุมชนของพวกเราในหมู่บ้านของพวกเราก็ให้พวกเราช่วยๆเป็นหูเป็นตาเนี่ยอันนั้นแะคือหายนะจะเข้ามาสู่หมู่บ้านของเราแล้วเพราะเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยรีว่เป็นอบอตอเป็นหูเป็นตาร่วมกันเอ อ, เ อ, อสิ่งที่มันจะเข้ามา อบายมุกเข้ามานี่ยถ้าว่าสิ่งเหล่านี้หนักเป็นทางนี้เกินไปเนี่ยทำให้ชุมชนของเราเดือดร้อนนะต่อไปจะมีขโมยโผยโจรเกิดขึ้นนะเพราะอาการพนันแฮอย่างนี้ผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองก็ต้องมองดูอย่างหลวงพ่อ เ, เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้ า, าวาดและเป็นเจ้าของวัดถ้าว่าคณะสัตธาญาติโจมหรือพระในวัดของหลวงพ่อ เ, เข้ามาพึ่งพาอาศัยหลวงพ่อก็ต้องบอกกล่าวแนะนําสั่งสอน ให้พวกท่านทั้งหลายเขามาบวชในพระพุทธศาสนาให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องนะจะไปเห็นแก่อยู่แก่กินนะให้เลยเห็นแก่หลักพระธรรมวินัยนะถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะออกนอกลู่นอกทางอยากจะออกไปเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่สนุกสนานแล้วอย่ามาบวชถ้ามาบวชแล้วก็ต้องประพฤติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าต้องเป็นสากยบุตร ต้องตง้องต้องเป็นทําตนให้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถ้าว่าเราเข้ามาบวชแล้วทําตนไม่ดีอันนั้นเลยว่าบุตรที่ไม่ดีของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกพระทุกองค์นะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมปินัยนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้บอกพ่อหลวงพ่อเป็นหัวหน้าเพราะนั้นหัวหน้าของหมู่บ้านก็เหมือนกันทุกหมู่ทุกเหล่าตอนนี้อย่าอย่าหาว่าหลวงพ่อให้สอนมวยนะ อันนี้เป็นการแนะเป็นการแนะแนวพวกเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขได้ก็ต้องมีหูมีตาช่วยกันสิ่งที่มันจะหายนะเข้ามาชุมชนสังคมของพวกเราถ้าเราไม่ช่วยกันดูไม่ช่วยกันแลไม่ช่วยกันปกป้องจะจะให้แต่ทางนู่นนายกคนเดียวมาดูหมดทุกแห่งทุกคนน่ะจะได้เ ห, อหรอรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาดูได้เหรอ พวกเราไม่ช right ่วยกันดูแลฉนั้นในเมื่อพวกเราดูแลแล้วนั่นแหละความสงบร่อมเย็นเป็นสุขในชุมชนของพวกเราก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วคณะหมู่บ้านนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขหมู่บ้านนั่นก็ร่มเย็นเป็นสุขต่างหมู่แต่ละหมู่บ้านของร่มเย็นเป็นสุขท่วหน้ากันความผาสุกก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดของเราในประเทศชาติของเราในโลกของเราถ้าหาว่าพวกเรามีแต่ หันหน้าให้อธรรมหันหลังให้ธรรมธรรมคือความถูกต้องธรรมคือเหตุผลอธรรมคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งในที่ไม่ถูกต้องเราก็ส่งเสริมกันเ อ, อเล่นการพนองเรื่องการพนันเ อ, อกินเหล้าเมายาส ม, มะเลยเทเมาเฮโรองุงเฮโรอินคัญชายยาฝิ่นยาบ่งยาบ้าเนี่ยอันนี้แหละเพราะว่าหันหน้าต่ออธรรมมีแต่ความเดือดร้อนเพราะนั้นขอให้ ลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมทุกหมู่ทุกเ่านะ่ะให้เป็นผู้มีศีล ม, มีธรรมเราก็วันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระแรมแปดข้ามเดือนเกเป็นวันสมาทานศีลของพวกเราพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยถ้าเราไม่มีไม่รักษาศีลก็ให้เทิดทูนศีลเอาไว้เพราะศีลของพระพาาุทธเจ้าเนี่ยศีลคุ้มครองโลกจริงๆอย่าฆ่าสัตวนะ์หน้าอย่าฆ่ากันนะ ถ้าพวกเราคิดจะฆ่ากัน่ะพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าคนนั้นจะคิดจะฆ่าคนนี้คนนี้คิดจะฆ่าคนนั้นต่างคนต่างฆ่ากัน่ะาโลกทั้งโลกจะหาความไว้วางใจกันได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าบัญญัติศิมอย่าฆ่ากันคือปาณาติปาอธินาทานอย่าคิดขมโมยกันนะถ้าว่าขามโมยกันเต็มบ้านเต็มเมืองที่ไหนก็ขมโมยกันนเต็มไปหมดแล้วบ้านเมืองของเราจะาร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไร อันนี้ก็คือศินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาครรค์ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เคารพสิทธิ์เขาเขาไม่เคารพสิทธิ์เราเพราะว่าต่างคนต่างมีโลกทั้งโลกจะ ย, ยุ่งเหยิงวุ่นวายขนาดไหนเพราะเหตุเพราะเราขาดศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทานพวกเราโกหกไปที่ไหนมีแต่คนโกหกต้มตุนหลอกลวงกัน หาความสัตย์ความจริงไม่ได้พูดขึ้นมาก็มีแต่หักหลังกันมีแต่โกหกกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันด้วยการโกหกพวกเราจะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรเพราะว่าพวกเราไม่มีศินข้อที่สข้อที่หสุราเมรยามช้าประมา ก, การดื่มสุราและเมลยัยคือตั้งในความตั้งอยู่ในความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปกลคือคนกินยุสุรา คัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคโคเคนอะไรที่เขากินเข้าไปแล้วทำให้สมองแปรเปลี่ยนคอ้าว่าลืมลืมหลงสติลืมหลงคล้ายๆว่ามันคิดอะไรไม่ออกมอนเหมือนกับคนบ้าอย่างนั้นคนดื่มโุราอย่างพวกเราเห็นพวกเราคงจะได้เคยมาแล้ว พวกเราชอบอย่างนั้นเหรอ อ, อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเหรออตามจริงเขาไม่น่าจะคิดให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะมันขาดสติแล้วไม่เป็นผลดีมันสนุกยิงอยอู่แต่ว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าว่าดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติคนขาดสติแล้วถ้าว่ามีอาวุธในมือ ม, ม, ม, มีีมีปืนมีอะไรในมือมันน่ากลัวนะเพราะคนขาดสติไม่รู้จะเอา ออกมาไม้ไหนพอหายหายเมาแล้วจนี่นั่นแหละบางทีไปทำอะไรในขณะที่เมาไปอยู่ในคกุกในตารางกนะ็มีแต่เสียใจไม่ใช่จะเสียใจแต่ตัวคนเดียวนะแต่นี่เสียใจทั้งพี่ทั้งน้องออทั้งขอบทั้งครัววงศาคนายาินั่นก็แหกันไปแล้วแต่นี่ออจากนั้นก็อนเอาทีไรทีนาไปจำนองจองจำเพราะเห็ุอะไรมันมาจะเกิดจากการเมาเพราะนั้นการเมา อสุราคำนี้นะ่ะพระพุทธเจ้านว่าคนขาดสติเมื่อเมาแล้วขาดสติขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าคนก็ได้ขโมยของใครก็ได้เอลาะลาบลา ล, ะลวงสามีภรรยาของใครก็ได้มุสาใครก็ได้เพราะเหตุไรเพราะคนเมาเขาเราก็รู้อยู่แล้วว่ากินดื่มสุราเข้าไปเสพยาเสพติดเข้าไปมันเมาถ้ามันเมาแล้ว เ, เราจะไปทําทําไหม อันนี้ก็ให้ห้ามตัวเองนะให้ห้ามจิตห้ามใจของตนเองถ้าเป็นลูกหลานของเราเราก็พยายามห้ามปรามนะอย่าให้ลูกหลานเอาทําถ้าเราทําไปแล้วมันไม่ดีเดือดร้อน เ, อเดือดร้อนตนเองนะั่นเป็นอันดับแรกนะต่อไปก็เดือดร้อนผู้เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ชิดนะจากน้องก็เดือดดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองเท่นั้เพราะฉะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับคณะทา ย, ยาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะและพร้อมกันหลวงพ่อว่า พวกเราก่อนเข้าพรรษาใครตั้งจิตอธิษฐานอันไหนเอาไว้ข้าพเจ้าจะงดบุรีข้าพเจ้าจะงดเลาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะทำบุญตักบาตรทุกวันในพรรษาก่อนก่อนเข้าพรรษาเราตั้งจิตอธิษฐานเพราะนั้นขอให้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสรุปแล้วคือจะให้ขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับนอนเนี่ย หลวงพ่อจะพูดแนะนําหรือว่าแต่จะว่าขอร้องก็ใชัยแล้วก่อนแนะนําให้พวกเราก่อนที่จะหลับนอนควรจะไหว้พระสะก่อนพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึงแต่เวลาเรานอนไม่ละลึกเลยตื่นนอนก็ไม่ละลึกเลย แต่ละวีแต่ละวันก็ไม่ละลึกเลยไม่ละลึกถึงคุณงามความดีไม่ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยไอ้หลงพ่อห่างเหินเกินไปนะพวกเรานะทางว่าพวกเราก่อนหลับนอนก็ไหว ล, ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเพราพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองอย่างที่ท่านว่าไอ้รักษาศีลนะอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าศีลเท่านั้นเองพวกเรานํามาวิเคราะห์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไง อันนั้นคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติได้ตามทำคำสอนแล้วโลกทั้งโล ก, กจะร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวของเราก็ย่อมร่มเย็นเป็นสุขชุมชนสังคมของพวกเราก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราขาดศิลห้าทะอย่างเดียวเท่านั้นความไว้เนื้อเชื่อใจคนในชุมชนของพวกเราก็ไม่ค่อยจะไวใจกันนะแต่ถ้าว่าพวกเรามีศิลมีธรรมแล้ว นั่นแหละความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมกันนี่ยหลวงพ่อแบบเป็นธรรมเป็นธรรมคำสอนของใครเป็น ธ, ธรรมคสาสาั่ส ง, ส, ส, ง, ส, งรรสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนเพราว่าพระพุทธเจ้าประกาศธรรมเนี่ยธรรมคืออะไรคือคำสอนจากนั้นพระสงฆ์สาวกพระภิกษุสงฆ์และพระสงฆ์ก็นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาบอกกล่าวมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้เข้าใจ เพราะนั้นพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งพวกเราจึงนอบน้อมก่อนหลับก่อนนอนก็ควรจะไหว้พระพุทธทังรรมังสังขังสาระนังคัจฉามนินี่แหละถ้าพวกเราหลับนอนไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนหลับนอนเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับเราลูกหลานของเราเกิดเป็นลูกหลานของเราเราควรแนะนำสั่งสอน ลูกหลานของเราก็มีศีลมีธรรมถ้าลูกหลานของเรามีศีลมีธรรมก็บอกง่ายเออบอกง่ายเชื่อฟังคําปู่ย่าตายายพ่อแม่นะแต่ถ้าพวกเราห่างเหินจากศีลธรรมแล้วจะคิดว่าดีนะเออลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเข้าแข้งเกล้าขึ้นมาพ่อพูดอะไรแม่พูดอะไรมีแต่สันหน้าแข้งนี่พูดกับพ่อกับแม่อย่างนั้นไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะพ่ อ, พอแม่ ทางเขินศีลธรรมนี่ยนะหลวงพ่อว่านะโรกทุกวันนี้มันเป็นเป็นหเห็นหเห็นมองมอ ง, มองดูแล้วมันไม่ค่อยจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเหตุไรเพราะโลกทั้งโลกขาดศีลธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่างน้อยนี่ยนะผู้ที่เขาวัดวาศาสนาผู้ได้ยินเสียงธรรมะทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พยายามแนะนําสั่งสอนลูกหลานให้อ่อนน้อมถ่อมตอนเนอ้อลูกหลานเนอ้อให้มีศีลมีธรรมเนอ้อต่อไปภายภาคห น, น้าลูกหลานเป็นพ่อ เป็นแม่เขาลูกหลานลูกเกิดขึ้นมาก็จะได้ผููว่าง่ายสอนง่ายเราไม่ต้องการเหลือให้ลูกหลานของเราเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้อยู่ในโอวาทแล้วก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจทําการงานเลี้ยงดูพ่อแม่โดยโดย้วยความเป็นธรรมแต่ถ้าว่าพวกเราต่างคนก็ต่างขาดทางเหินศีลธรรมแล้วมีแต่โลกเข้ามาแล้วความเกรียดร้อน เกิดขึ้นนคณะสัตย า, า ญ, ญาณโจมลูกหลานทุกๆคนนะอันนี้ก็คือการบอกกล่าวและการให้โอวาดเอาหลวงพ่อเอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะามาบอกมากล่าวนี่ยนะอย่างอบายมุกอย่างในพระพุทธเจ้าจึงก็ห้ามเอาไว้เรามาพิจารณาดูสิมันจริงอย่างพูดพระพุทธเจ้าพูดนะเตือนร้อนพูนวายนะถ้าว่าพวกเราเน้นไปในทางอบายมุก พราะนั้นเรื่องเล่นหวยเล่นเบอร์ก็เหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อว่าในพรรษาเนี่ยควรจะงดกดไว้ก็ดีเหมือนกันนะ่ะอย่าไปเสี่ยงละพอเราเสี่ยงมามากต่อมากแล้วเป็นยังไงถ้าเราเก็บเงินก้อนนั้นมาเพื่อดูแลครอบดูแลครัวของพวกเราเจะไม่ดีกว่าเหรอแต่พวกเราเป็นหนักในในการพนันขันต่อจนเกินไปเราก็จิตใจของเราก็เป็นทุกข์นะ จากนั้นก็ทําให้จิบหายได้ง่ายๆแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนั้นนะเอ่ออบายวะมุกมุกคะเหตุเป็นเหตให้เครื่องจิบหายอ่อวยมุกคือเหตุเครื่องจิบหายบรรว่าอ่างั้นหกอย่างอบายวมุกมุกคะก็คือมันจิบหายซึ่งซึ่งปากเน่ยซึ่งหน้าซึ่งปากแล้วทำไมจึงว่าจิบหายซึ่งปากถือว่าว่าเราทํานายผิดไปเล่นให้ไปเล่น ก็เลีกโบกว่ะคู่กับขี้นี่ยน่นแหะพอพูดถ้าว่าพูดว่าคู่เนีมันออกขี้ซะเนี่ยมันก็จิบพายเนี่ยแปลว่าปากพูดลงไปมันจีพายแล้ววงานเถอะพระพุดเธเจ้าทว่างั้นนะอปากมุกขะเนี่ยก็คือปากพูดผิดเท่านั้นก็จิบพายแล้วเออแต่นี่มันไม่ใช่จะพูดถูกทุกครั้งเนี่ยแต่ใช่จริงอยู่ทํามเมื่อเวลาพูดถูกอมันก็ได้แต่เวลามันผิดใช่มากกว่าเออ มันโดยโดยมากมันจะเสียอบาัายมุกเนี่ยแหละเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนอะได้ยินทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้วให้ทําตนเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมพร้อมกันก็ให้ดูแลบิดามารดาพ่อแม่ของพวกเราเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ให้ระลึกถึงบุญคุณของท่านท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วควรจะดูท่านเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เราเราจะทำยังไงต้องระลึกถึงบุญคุณของท่านเป็นบุพการีบุคคลภูมิอุปการะกร่อน เราควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไรกับปิดามารดาของพวกเรานะเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนะเอเ mm hmm. มื่อเราทําดีแล้วเนะี่ยเมื่อเราทําดีกับพ่อกับแม่ลูกของเราก็จะทําดี ก, กับเร า, เ, าเป็นเป็นทายาทไปนะแต่ถ้าเราทําไม่ดีกับพ่อครับแม่ลูกของเราก็ดูเราเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างจากนั้นก็ดูถูกเกลียดหยามพ่อแม่ของตนเองไม่เป็นผลดี ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะตอนนี่อไปคณะสงฆ์จะนุโมทนาให้พรณนัต น, นีนะ